บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพยะแห่งปัญหาที่ออชิตมนบกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต่อไปนั้นคือท่านถามว่าปัญญาสติและนามารูปย่อมดับไปอย่างสิ้นเชิงน้าที่ใด รูปผู้มีรพาคเจ้ารัสสังตอบว่าวิญญาณจะดับไปก่อนแล้วสติปัญญานามรูปจะดับไปหน้าที่วิญญาณดับนั่นเองคำถามและคำตอบโดยนยยนีพุ่งถึงผลสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา พระท่านอาชิตเองนั้นก็มีความเข้าใจอยู่ว่าชีวิตทั้งหลายนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดหาที่ยุติอย่างสิ้นเชิงไม่ได้จึงได้กราบทูลถามปัญหามาโดยลำดับแล้วมายุติลงที่จุดสุดท้ายในแง่ความจริงทางด้านสังสารวัฏนั้นพระพู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงความไม่มีเงื่อนตนได้เงื่อนปลายเอาไว้มีลักษณะเป็นการหมุนวงหมุนวนเหมือนกระวงกลมการจะพูดให้เกิดความเข้าใจถึงการหมุนวนในสังสารวัตจึงมักจะอาศัยรูปรธรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในที่นั้นๆเป็นอุปมาเปรียบเทียบอย่างที่ทรงแสดง รบราลบการพลากจากของบุคคลทั้งหลายที่ต้องร้องให้เศร้ า, าโศกเสียใจบุคคลที่รักของที่รักต้องพินาศไปเป็นต้นในทรงชี้ให้เห็นถึงความจริงว่าหน้าตาที่บุคคลต้องร้องให้ต้องเสียไปเพราะการพราดจากของจากบุคคลนั้นเป็นที่รักนั้นในสังสารวัตรอันยาวนาน ไม่สามารถที่จะนับจะประมาณได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกแต่หากว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เหือดแห้งไปหรือบางครั้งทรงประลุความตายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทรงเชี่เห็นว่าสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายในโลกนี้ไม่เคยมีเลยไม่ว่าจะในมหาสมุทรบนพื้นดินบนภูเขา บนห้วงอวกาศก็มีสิ่งมีชีวิตได้ตายกันมาแล้วและจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปบุคคลแต่และคนที่เกิดตายเกิดตายหมนุนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นถ้าว่ากระดูกไม่เสื่อมสลายไปก็จะเป็นกองใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเวปุลบันพฤถทงอยู่ ใ, ใกล้กรุงราชคฤหศรี สัรมเทศนาเหล่านี้ทรงแสดงในรูปอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความมากมายของสังสารวัฏที่บุคคลต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่สุขบ้างทุกบ้างปนคระกันไปบางครั้งก็ทุกนานอยู่ในอบายภูมิบางครั้งก็สุขนานอยู่ในพรหมโลกและในสวนชั้นคามาไปจอดตนบางครั้งก็ทุกสุขสลับปนคระกันไป เชนชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายสังสารวัฏจึงเป็นเรื่องที่ควรเกีย่ยการเบื่อนหน่ายต่ะความซ้ำซากจำเจของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดังนั้นจุดมุ่งหมายในการออกบวชของนักบวชในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือนักบวชเหล่าอื่นก็ตามจุดมุ่งจริงๆก็คือต้องการให้หลุดพ้นจากกระแสแห่งสังสารวัฏ ตันชิตแต่พรามพาวรีเองสแสวงหากันมาเป็นเวลานานก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้มืดมนอุนธการเพราะมีสิ่งหนึ่งปิดไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่รู้อะไรแค่ทำไมจิตใจของคนจึงหลายไปํากระแสของอารมณ์จนไม่สามารถจะยุติจิตได้ประสบระภัยอันตรายด้วยประการ จาทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ออกไปได้จึงกราวทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยลำดับแต่เนื่องจากขั้นตอนในการแสดงตั้งแต่เริ่มต้นมานั้นเป็นการมุ่งความหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์หลุดพ้นจากกระแสของสังสารวัฏพอมาถึงปัญหารองข้อสุดท้าย จึงถามในลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ไปที่อนุปาทาบริีนิพันต์คือการดับกิเลสและดับได้ทั้งเบญจขันต์เพราะนิพานนั้นมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสอุปาติเสสนิพานเป็นการดับไปเฉพาะกิเลสดับไปเฉพาะกรรม ที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับกิเลสไปแล้วคือยุติกระแสะกรรมในโอกาสต่อไปแต่ว่ากระแสะกรรมในอดีตนั้นถ้าหากวิบากขันคือร่างกายยังเหลืออยู่แก่ตา ม, มาทันแกก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง การดับในชั้นนี้ท่านเรียกว่าสะอุปาทิเศ ส, สนิพัน์คือดับได้ทั้งกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายประเภทของนิพันธ์ทั้งสองประการนั้นได้ทรงชี้ไปในลักษณะนี้แต่โดยปริยายหนึ่งคือในยะหนึ่งนั้นท่านได้ชี้ว่าแท้ที่จริงแล้วบุคคลก็ผ่านนิพัน มาโดยลำดับแม้ในขณะจิตที่บุคคลสามารถดับเพลิงกิเลสที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆได้ก็ถือว่าเป็นตะทางแก่นิพานคือดับได้ด้วยองค์ของธรรมะนั้นๆจนเกิดความโกรธขึ้นใช้ธรรมะคือเมตตาดับความโกรธก็ชื่อว่าเป็นการดับในขอบข่ายของนิพานเหมือนกันแต่การดับในลักษณะนั้น ท่านเรียกว่าเป็นกุปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงไปได้คนเราบางครั้งสามารถยืนดัดทําความดีอยู่ได้เป็นเวลานานๆแต่เพราะจิตใจ ย, ยังมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอยู่ในระหว่างการต่อสู้ของกุศลและกุศลหรือของกิเลสกับธรรมะบางครั้งก็รักษาไว้ไม่ได้ ท่านจึงพูดโดยสรุปว่าเป็นกุปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้การปฏิบัติในชั้นนี้ถือว่าเป็นโลกียาทั้งหมดแต่ก็ขึ้นสูงไปโดยลําดับเหมือนกันขึ้นไปถึงระดับของสมาธิระดับรูปปัจจานระดับเป็นรูปปัจจานจนถึงสูงสุดคือในวสัญญาณนะสัญญายาตนาเป็นใรูปปัจจานชั้นสูงแต่ถือว่าเป็นกุปธรรมทั้งหมดคือกําเริบได้ทั้งหม ด, เ, ด, หมดเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด มีแรงกระแทกกระทันมาจากข้างนอกกิเลสก็จะฟูขึ้นได้อย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่ากิเลสตกตะกอนเหมือนกับตะกอนที่อยู่ในภาชนะถ้าขนาดเล็กกระทบน้อยเดียวตะกอนก็ขึ้นแล้วแต่ถ้าหากว่าภาชนะนั้นใหญ่แม้จะมีตะกอนถ้ากระทบเบาๆตะกอนก็ไม่ขึ้นมาลักษณะกิเลสประเภทนี้ก็เป็นเช่นนั้นจะมีความส ง, งบมีความประนีต ลงไปโดยลำดับและอยู่ลึกลงไปโดยลำดับต่องวามอารมณ์ที่มากระทบจากภายนอกไม่แรงจริงๆท่านก็ไม่กำเริบจนมีความรู้สึกสงบเย็นคล้ายๆกับได้บรรลุมรรคผลไปจริงๆในสมัยก่อนพุทธการจึงมีการบัญญัติอารมณ์ในลักษณะนี้วันนี้ผ่านกันไปเรื่อยๆแต่รู้มีพระผากเจ้าทรงปฏิบัติพอสัมผัสเข้า ทงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทรงเห็นบ่าแท้แท้จริงแล้วเป็นการดับได้ในชั้นหนึ่งเท่านั้นเองหากว่ามีอะไรรุนแรงมาจากข้างนอกความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นภายในจิตได้ซึ่งทรงใช้คําคง่ายๆว่ากุ ป, ปรธมคือกําเริบได้แต่ความดับในชั้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นนะกุ ป, ปรธมคือไม่กําเริบอีกต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปกิเลสไดที่ท่านละได้แล้วจะไม่หวนคืนมาจะไม่กลับมา จะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสที่ท่านได้ละไปแล้วในจุดนี้ท่านแสดงเป็นชั้นของพริยาบุคคลที่สวดสรรเสริญกันตามบทของสังกัขุณนั่นเองที่ว่ายดติดังจตาริปริสุการนิอัถฐปริสุปการาเอสสะปะกุโตสาวะกะสังโคนี่คือใครก็บอกว่า บุคคลสี่จำพวกแต่แก่บุรุษบุคคลทั้งแปดประการคือพระยาบุคคลทั้งสี่ประเภทเมื่อนับโดยมรกโดยผลก็กลายเป็นแปดแต่สรุปแล้วก็เรียกชื่อเป็นสี่คือประโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปท่านหลอนี้สามารถดับบิญญาณที่จะปฏิสนธิในภพอีกเป็นนันมากเช่นประสดาบันนั้นปิดกระแส การจะต้องอุบัติบังเกิดในภพได้สสี่ภพด้วยกันหรือพวกอบายภูมิทั้งสี่ที่เรียกว่าปิดกั้นกระแสของอบายภูมิได้ซึ่งก็หมายความว่าวิญญาณที่จะเกิดในที่นั้นสำหรับท่านแล้วไม่มีอีกต่อไปพอถึงพระสะกักการะมีก็จะดับอีกแต่จะยังเหลือจะอุบัติในเทวดาหรือมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนพระนาคาเม่นั้นก็จะเว้นพบคือสุทธาวาสทนั้นเองซึ่งก็หมายความว่าเป็นการดับปฏิสนธิวิญญาณที่จะบังเกิดในภพอื่นอีกเป็นนั้นจะยังเหลืออยู่เพียงสุทธาวาสคือสถานที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นนั้นคือภพที่สัตว์จะต้องไปอุบัติแต่ในขณะเดียวกันภพคือจิตคือชั้นของจิตหรือที่อยู่ของจิตบางครั้งเราก็เรียกว่าภูมิบางครั้งก็ เรียกว่าพบเป็นที่อยู่ของจิตนั้นคนระดับพระโสดาบันนั้นจะไม่มีความคิดที่จะกระทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตัวกระบายเพราะว่าภูมิจิตของท่านสูงขึ้นมีความสะอาดขึ้นกิเลสหยาบๆยาบก็ละไปได้เปน็นอันมากแล้วพระสกทาคามีก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน พอมาถึงระดับพระนาคามีภูมิของจิตจะสูงขึ้นประนี่ขึ้นแม้ในชั้นของความคิดที่เจือด้วยโทสะหรือเจือด้วยความโกรธความปทัทสรายหรือที่จือด้วยกามราคะเยิ่งสามมณชนทั้งหลายเยิ่งเทวดาในชั้นกาเมอจรภูมิทั้งหลายก็จะไม่มีภายในจิตใจของท่านนั้นก็เป็นการดับในแต่ละชั้น แต่ส่วนการดับอย่างไม่เหลือจริงๆนั้นสติปัญญาของพระอาหารหันต์ท่านสมบูรณ์เพราะงั้นสติปัญญาในชั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ได้ดับเพราะเป็นสติปัญญาที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมจริงๆจะเรียกว่าสติวิปุโลห์คือมีความภัยบณ์อย่างยิ่งของสติพระอาหารหันต์จึงไม่มีควาว่าเผลอเร่อพลั้งพลาดหลงดึมแต่ประการใด การศึกษาเรื่องราวประวัติของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นได้ว่าไม่มีร่องรอยของการกระทำคำพูดที่เจืดด้วยกิเลสภายในจิตใ จ, จของท่านแต่ว่าวิญญาณยังไม่ดับยังมีการรับรู้อารมณ์ต่างๆแต่ไม่มีการปรุงต่อไปเป็นกิเลสท่านั้นเด็กเมื่อรับรู้เรื่องเหล่านั้น ในเรื่องทั่วไปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะไปแต่ใ น, ในกรณีของบุคคลซึ่งควรแก่การกรุณาก็เกิดกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นแต่นั้นการดับตามความหมายที่พึงประสงค์ตามคําถามจริงๆ จ, งจึงเป็นการดับของพระอาหารหันต์ที่นิพพานแล้วคือพูดง่ายๆว่าพระอาหันต์ที่ตายแล้วเมื่อวิญญาณดับ สติปัญญานามรูปประดับที่จริงสติกับปัญญานั้นก็เป็นนามชนิดหนึ่งเป็นสังขารขันธ์ในส่วนของขันธ์ห้าแล้วการศึกษาในชั้นที่ประณีตขึ้นไปนั้นก็สรุปรวมเป็นนามรูปหรือรูปนามขันธ์ทั้งห้านั้นถ้าเรียวกว่ากล่องคือเป็นกลุ่มกลุ่ ม, ก ล, มกลุ่มกันอยู่กลุ่มของรูปก็มีอยู่28ชนิดกลุ่มของนามรวมทั้งจิตทั้งเจตสิก ก็มีเป็นร้อยยังกลุ่มของเวทนาอีกก็กระจายเป็นร้อยกลุ่มสัญญาก็กลายกระจายออกไปเป็นรอยๆแต่เราก็สรุปหรือไม่ต้องพูดถึงต้นไม้ทั้งต้นแต่พูดเฉพาะลำต้นพูดเฉพาะรากของมันก็แยกออกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระรหันนั้นเมื่อ น, นิพพานคือพอปฏิพอจิต ท, ท่านดับอย่างอื่นก็ดับโดยไม่เหลืออีกต่อไป นี่คือการแสดงสภาวะของนิพพานในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือนิพพานที่สมบูรณ์จริงๆอย่างพระพุทธเจ้านิพพานพระสานิบุตรนิพพานพระโมขารานะนิพพานการอนุนิพพานที่เราพูดกันนั้นเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนนี้ผู้ศึกษาธรรมะอาจจะไปพบพระพุทธดำรัสที่ตรัสอย่างตรัสแก่พระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็บรรนณ์ตังหิชีวิตัง ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นการพูดในชั้นสมมุติพูดระดับหนึ่งคือคนเราเกิดมาก็จบลงที่ตายแต่ว่าเหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปนั้นยังมีอยู่ก็มีการสร้างนามรูปขึ้นอีกเนื่องจากวิชายัางเป็นปัจจัยอยู่ก็ก่อให้เกิดสังขารเมื่อมีสังขารก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีนามรูปอัปตมเทศนาสวดนั้นสดแสดงในแง่ของสังสารวัฏ แล้วก็ตัดตอนพูดกันเป็นตอนๆเพื่อสอดคล้องกับจริตอัธยาศัยของพระเจ้าปเสนจุกุศลซึ่งมีสติปัญญาไม่ลึกซึ้งมากพอที่จะไปพูดระดับอริยมรรคอริยพลจึงเป็นการพูดในระดับของสมุติเป็นความถูกต้องในชั้นสมุติสัจจะชีวิตเราก็จบลงที่ตายในแต่ละชาติในแต่ละชาติ แต่ธรรมเทศนาส่วนนี้เป็นการพูดดับอย่างสิ้นเชิงคือดับจริงๆคำอนิพพานจึงไม่มีพบที่สมบุบัติของผู้ที่ตายแล้วประการข้อนี้ผู้ศึกษาธรรมะจะต้องเข้าใจถึงพระพุทธตรรรัตให้อย่างชัดเจนทรงพูดในแง่ของสังสารวัฏไว้หลายเรื่อง เป็นพุทธังวิญญาณทีติที่ตั้งของปฏิสนธิวิญญาณจำแนกออกเป็นเจประการด้วยกันสตาวาสคือที่อยู่ของสัตว์ตนาชนิดมีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงอรูปประพรมแล้วแสดงในแง่ของพบไว้เป็นสามพบด้วยกัน คือการมาพบพบที่สัตยังเกี่ยวข้องอยู่กับกรรมามคุณยังกำนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกรรามคุณทั้งหลายรูปพ บ, พบพบที่สัตยังมีรูปแต่ยินดีในฌานคือประเภทรูประชฌานประเภทรูปนี้ก็มีแม้แต่พระอนาคามีเองก็อยู่ประเภทรูปแะรูปพ บ, พบพบที่ไม่มีรูป ซึ่งเกิดขึ้นด้วยผลของการปฏิบัติในอรูปฌานแต่ไม่มีโล ก, กุตระภพไม่มีนิพพานนพุทเพราะนิพพานนั้นไม่มีภพเธอเป็นภูมิเป็นโล ก, กุตรภูมิแต่นั้นโล ก, กุตรภูมิภูมิจึงมีสแต่ภพยังมีเพียงสามเท่านั้นเองภูมิมีกามาวัจรภูมิคือจิต ชั้นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกลาลมีความกรหน่ดรักใคร่เย็นดีมีความชอบใจไม่ชอบใจปนข้ากันไปรูปาวจรภูมิชั้นของจิตที่ติดอยู่ในรูปฌานอรูปาวจรภูมิชั้นของจิตที่ติดอยู่ในรูปฌานและโลกุตระภูมิชั้นของจิตที่เหนือจากโตก<ม>เหนือจากภพทั้งหลาย พธรรมเทศนาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้เห็นว่าพอวิญญาณดับอย่างอื่นกะดับหมดเป็นการดับโดยโดยไม่เหลืออาศัสังคือไม่มีเศษไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วพระธรรมเทศนาในในยะนี้เป็นการบ่งชี้เห็นว่าความคิดเป็นนั้นมากคือแม่การเผยแพร่การแนะนําสั่งสอนกันเป็น น, นั้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวสมัยโบราณที่มีการพูดมีการอธิบายกันในรูปแบบเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะมหานาคร น, นารูานัดคือเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงต่อพระพุทธธรรมหลักเพราะพระพุทธธรรมหลักข้อ น, นี้จะปรากฏในพระสูตรต่างๆตั้งแต่ธรรมจั ก, กรวัตนะสูตรเป็นต้นไปประจิตใจของท่านที่บรรลุญาณ โดยการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการอย่างสมบูรณ์เต็มที่นั้นยานจะเกิดขึ้นเหมือนการทุกๆองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระหัต์ทั้งหลายก็ตามหลังจากกิเลส ท, ท่านหมดแล้วก็จะมีความรู้ว่าพบก็หมดสิ้นไปแล้วการเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายการอุบัติในพบต่อไปไม่ได้มีอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของพระโคจิกะเทระท่านว่าพระโคจิกะเทระบำเพ็ญเพียรพระจวนจะบรรลุมรรคผลและฌานเสริมทุกทีท่าน ก, กรัวว่าธรรมดาที่คนธรรมดาคนซึ่งยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตจิตที่ประกอบด้วยกิเลสนั้นคติพบไม่แน่นอนท่านจึงถือมีดโกนไป บำเพ็ญเพียรก็ตั้งใจเอาไว้ว่าพอบรุมรรคผลแล้วจะอย่าให้ฌานทันเสื่อมแล้วจะฉุดคอตัวเองให้ตายใช่ก็เป็นความคิดในขณะที่เป็นปุถุชนก็คิดไปได้แต่ในที่สุดท่านก็บําเพ็ญเพียรคราวนั้นตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากบรรุมรรคผลเป็นพระหันไปเลยแต่เป็นประเภทก็เรียกว่าชีวิตะสัมสีสคือกิเลสดับพร้อมกับชีวิตะ กิเลสดับพร้อมกับชีวิตดับคือหมดอายุพอดีก็ดับกันดับพร้อมกันเลยประหารประเภทนี้มีอยู่จํานวนน้อยอคือหมายพวาม่าท่านบําเพ็ญเพียรมาโดยลําดับจนอายุก็ผ่านการเวลามามากอายุผ่านก็สิ้นกิเลส ก, ก็ดับท่าน ก, ก็ดับพร้อมกับกิเลสชีวิตก็ดับพร้อมกับกิเลสเป็นประเภทดับอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหมือนกัน มาได้เที่ยวแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของท่านโคชิกะปรากฏเป็นรูปบางหุ่นควงอะไรต่างๆพุทธเจ้าก็ชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูพวกก็ดูมานผู้มีบาปกาลังแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่จะไปถือปฏิสนธิในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆ กำเนิดใดกำเนิดหนึ่งก็จะเกิดในขั้นเกิดในคลาย เ, เกิดในของสุกปรกหรือเกิดโดยผุดขึ้นก็ตามหาแล้วก็หาไม่พบแล้วก็เกิดสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไงหายไปไหนก็กลับร่างมาเป็นมนุษย์มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าผก่อนมานผู้มีบาปคนอย่างเธอไม่สามารถจะหาปฏิสนธิปิญญาณของโคชิกาได้ พระตฎิกะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณแล้ในที่สุดก็ทรงแสดงหลักการปฏิบัติว่ามารย่อมไม่พบผลทางของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทและจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบคือสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตตินั้นก็คือเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติ ให้บริบูรณ์ตามอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่ออริยมรรคบริบูรณ์ก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าสมาญานะซึ่งเป็นตัวมรรคจริงๆอีกแปดข้อนั้นเป็นองค์คือไม่ใช่ตัวมรรคเป็นเครื่องประกอบนะนั้นเองตัวมรรคจริงๆมีองค์เดียวคือสมัยานะความรู้ในทางที่ชอบเมืเกิดสมัยาณนะขึ้นมาก็เป็นสมัยปิมุตต์คือจิตหลุดพ้นในทางที่ชอบ เปานลักษณะของพระโคจิกะเป็นลักษณะเดียวกับพระพุทธธรรมรัดตรัสตอแก่ชิตมานุคคือหมายความว่าพบภูมิเป็นที่อุบัติของท่านซึ่งได้ทำลายกิเลสความยึดติดในนามรูปต่างๆออกไปได้ด้วยสติและปัญญานั้นพอปฏิสนธิวิญญาณของ พ, พอปฏ พอวิญญาณของท่านเหล่านี้ดับหรือว่าดับจิตทุกอย่างก็ดับหมดเลยเป็นการดับอย่างอย่างสิ้นเชิงคือทั้งกุศลทั้งอ ก, กุศลก็ดับไปหมดเป็นการดับอย่างไม่เหลือบางครั้งก็ต้องอุปมาอาศัยอุปมาเช่นทรงอุปมาว่าไฟที่มันดับเนี่ยเราไม่รู้ไฟนั้นหายไปไหนคนนั้นหายไปไหน แต่าการดับนั้นมีอยู่แต่สิ่งที่ดับไปอยู่ที่ไหนนั้นพูดกันไม่ได้เพระาะอะรเพราะสภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะที่อธิบายกันไม่ได้แต่เมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติดําเนินไปถึงขั้นหนึ่งก็จะเกิดความรู้ด้วยตัวเองเช่นความรู้ที่เกิดขึ้นแก่พระปัญญวคีก็สอดคล้องกับที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นแก่พระยสะก็ตรงกับที่เกิดขึ้นแก่พระปัญญวคี ความรู้ของผู้เชดินทั้งพันคนก็ตรงกับที่เกิดขึ้นแก่พะยาศาธิรละเป็นต้นแต่วาวลาการที่ควรกำหนดไว้ประการหนึ่งว่านิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีลักษณะเป็นภพแต่ว่าเป็นชั้นของจิตไม่มีภพเป็นเครื่องอุบัติไม่มีลักษณะเป็นเมืองแก้วที่ไปอยู่กันเป็นจุ ก, จก คือถ้ามองกันในแง่ของความเป็นจริงวิถชีวิตในรักษณะนั้นสมมติว่ามีจริงก็ไม่รู้จะอยู่ทำอะไรเป็นชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยก็ อ, อยู่ไปวันๆอย่างนั้นเกิดเป็นมนุษย์อย่างไรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้แต่พอไปถึงอ น, นิพานยอย่างที่เข้าใจกันเช่นนั้นก็ไปอยู่สเสวยสุขเสวย อ, อยู่คนเดียวจะเสวยทาอะไรเพราะว่าในสังขารนั้น เมื่อเป็นชีวิตมันก็ต้องเป็นสังขารเป็นนามรูปเป็นชีวิตก็ต้องเป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารก็ประกอบด้วยนามในรูปแต่ชีวิตนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากอวิชชาพระพุทธเจ้าทาลายวิชาได้แล้วทำไมจะต้องเกิดชีวิตเพราะวิชาดับสังขารดับสังขารดับปัญญาดับปิญญาดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับอายตนะดับภาษาดับภาษาดับเบทนาดับเบทนาดับตนาดับ ตานาดับอุปท า, านดับอุปท า, านดับพบดับพบดับชาติก็ดับพราะชาติจึงไม่มีการเกิดจึงไม่มียานยานความรู้ที่เกิดขึ้นแก่พระอาหารหันต์ต่งางๆจึงยุติกันสมกันกับพระพุทธดำรัสในที่ทั้งปวงและยุติกันสมกันกันกบพระไตรของพระพุทธเจ้าตอนที่สัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังนั้นนิพพานจึงเป็นความดับความเย็นความสงบและความว่างจากภพภูมิตลอดถึงความทุกข์ต่างๆอันเป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป